ส ว, วัสดีวิริวราบกรัวเก่าสตรออยเฟร้กัปปจพระมหาพัยบุญพีพ่ปุณโญจะนําเรื่องราวที่เป็นคํำสอนของพระพุทธชจ้าที่เป็นคาถาเป็นคําบูทานเป็นบทสนทนาเป็นเรื่องเล่าต่างๆมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเมื่อวานนี้ได้ให้ฟังเรื่องของนางอุตราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนางสิริมา ได้ให้ังเรื่องนี้ไปวันนี้ก็จะนำเรื่องของนางศิริมามาให้ฟังเป็นตอนต่อไปเรื่องเดิมที่เกี่ยวข้องกับนางอุตรานั้นก็คือว่านางอุตรานี่ได้ไปแต่งงานในครอบครัวที่เขาไม่ได้นับถือพุทธศาสนาจึงไม่ได้มีโอกาสทาบุญให้ทานเลยบิดาของนางอุตรานั้นก็จึงคิดหาอุบายโดยให้นางซิริมานั้นมาช่วย ซึ่งนางศริมานั้นจริงๆแล้วก็คือหญิงคณิกาคำว่าหญิงคณิกานั้นก็คือเป็นลักษณะของเมียเช่าใครต้องการจะมีภรรยาชั่วคราวก็มาใช้บริการตรงนี้ได้แต่เป็นในลักษณะที่เกรดสูงนก็คือออกหน้าออกตาได้นะมีความสวยงามในสมัยนั้นก็มีธรรมเนียมอย่างนี้กันก็มีนางศริมานี่แหละที่โดดเด่นกว่าคนอื่น ในเรื่องของความเป็นหญิงคณิกาแต่ซึ่งบางทีมีแขกบ้านต่างเมืองมาก็าก็จะเอาหญิงประเภทนี้ไปให้เป็นภรรยาชั่วคราวกับแขกบ้านต่างเมืองตัวนั้นที่ก็เป็นตำเนียมาอย่างนี้แต่ซึ่งนางศิริมาพออยู่ไปอยู่ไปก็เลยมีความคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนเป็นแม่เจ้าเรือนแต่เป็นคนใหญ่ที่สุดในบ้านนั้นก็เลยเอาเนยใส มารถจะทำร้ายนางอุตราซึ่งเป็นแม่เจ้าเรือนเดิมอยู่แต่สุดท้ายก็เห็นความผิดของตัวเองในมีการขอโทษขอเข้ามากันและเรื่องนั้นก็เป็นที่มาของคําว่าพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธอันนี้เราได้ฟังกันไปแล้ววันนี้ก็จะมาฟังตอนต่อนเนื่องกันในบุฟังที่เป็นเรื่องของนางซิริมานั่นแหละหลังจากเหตุการณ์นั้นแล้วนางซิริมานั้น แล้วก็ไม่ค่อยสบายจมูฟังเรามาฟังเรื่องราวตัวนี้กันจะได้เห็นความจริงในเรื่องของสรีระละ ว, ว่ากายของเรานี้มีสภาพเป็นอย่างไรเรื่องนางสริมาดังได้สดับมานางสิริมานั้นเป็นหญิงคณิกามีรูปร่างงดงามในกรุงราชจุรึกไปในปัญษาหนึ่งได้ประทุษร้าย ต่ อ, อุบาสิกานามว่าอุตราซึ่งเป็นธิดาของปุณณเศรษฐีผู้เป็นภริยาของสุมาณเศรษฐีบุตรนางสิริมาประสงค์จะให้นางอุตรานั้นเลื่อมใสซึ่งทูลขอขมาพระศาสดาผู้ทรงทำรรพัตกิจกับพิสุสงเสร็จแล้วในเรือนของนางอุตรานั้น ในวันนั้นได้ฟังพัตตะอนุโมทนาของพระทศพลได้บรรลุโซดาปฏิปลแล้วในเวลาจบกาถาที่ว่าพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้บันพึงชนะคนพูดปล่อยๆด้วยคำจริง นี้เป็นความย่อในเรื่องนี้ส่วนเนื้อเรื่องพิสดารจะมีแจ้งในอัตรกรตาแห่งคาถาอนุโมทนาในโกตวักนั่นแหละนางสิริมานั้นครั้นบรรลุโสดาบันอย่างนั้นแล้วนิมนต์พระทศพลรุ่งขึ้นได้ถวายทานเป็นอันมากแล้วได้ตั้งอัตรกระพัด คือพัดสำหรับภิกษุแปดรูปเพื่อประสงค์ไว้เป็นประจำตั้งแต่วันแรกมาภิกษุแปดรูปไปเรือนเสมอนางเอ่ยปากว่าพระกุณเจ้านิมนต์ท่านทั้งหลายรับเนยใสรับนมสดดังนี้เป็นต้นแล้วก็บรรจุพัดให้เต็มบาทของภิกษุเหล่านั้น อาหารบินตบาทที่ภิกษุรูปหนึ่งได้แล้วย่อมเพียงพอแก่ภิกษุสมรูปบ้างสรูปบ้างนางถวายบินตบาทด้วยการจับจ่ายทรัพย์16กระหาปณะนะทุกวันต่อมาวันหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งฉันอัฏฐกะพัดในเรือนของนางแล้วได้ไปวิหารแห่งหนึ่ง นะที่ไกลาสามโยศครั้งนั้นพวกภิกษุถามเธอซึ่งนั่งอยู่ในที่บํารุงพระเตระในเวลาเย็ยนว่าท่านผู้มีอายุท่านไปรับภิกษาที่ไหนมาภิกษุรูปนั้นตอบว่าผมไปฉันอัตถกา พ, พัทที่บ้านของนางสิริมาพวกภิกษุถามอีกว่า ก็นางธรรมของอันน่าพึงใจถวายไหมตอนภิกษุพรรณน า, นาความดีของนางศิริมาภิกษุผู้นัน้นจึงกล่าวคุณของนางว่าผมไม่สามารถจะพรรณน า, นาพัดของนางได้เพราะนางทำถวายแสนเจรณิญพัดที่ภิกษุรูปหนึ่งได้ย่อมเพียงพอแก่ภิกษุสามรูปบ้างสี่รูปบ้าง แต่การได้เห็นนางนั้นแลดีเสียยิ่งกว่าทยธรรมของนางเสียอีกเพราะนางสวยงามเช่นนี้เช่นนี้ดังนี้ก็ในครั้ น, นพิฆสุรูปหนึ่งได้ฟังทายคำที่ปัต น, นากุณของนางเกิดความรักขึ้นแล้วโดยไม่ได้เห็นตัวเลยมีความคิดว่าควรที่จะไปดูนางพิฆสุรูปหนึ่งนั้น จึงบอกจำนวนพรรษาของตนแล้วถามลำดับกับภิกษุรูปนั้นแล้วได้ยินว่าท่านผู้มีอายุพวกนี้ท่านจะเป็นพระสังฆเตระจะได้อัตถกาพัทในเรือนของนางสิริมาภิกษุรูปนั้นจึงคว้าบาทและจีวรหลีกไปในขณะนั้นเองเมื่ อ, อรุ่นขึ้นแต่เช้าเทียว เข้าไปสู่โรงพัดยื่นคออยู่แล้วเป็นพระสังฆเตระได้อัตกะพัดในเรือนของนางก็ในเวลาที่ภิกษุนั่นจันแล้วลีกไปในวันๆานนั่นเองโรคได้เกิดขึ้นในสรีระของนางดังนั้นนางจึงเปลื้องอาพรแล้วนอนขณะนั้นพวกตาสีของนางเห็นภิกษุต้องหลาย ผู้ได้อัตรกับพัดมาแล้วจึงบอกแก่นางนางศิริมาไม่สามารถจะรับบาตรแล้วนิมนต์ให้นั่งหรือถวายของด้วยมือของตนได้จึงสั่งพวกทาสีว่าแน่แม่ทั้งหลายพวกเธอรับบาตรแล้วนิมนต์พระผู้เป็นเจ้าให้นั่งให้ดื่มข้าวยากูถวายของเคี้ยวในเวลาพัดจงบรรจุพัด ให้เต็มบาทแล้วถวายเธอ้าสีเหล่านั้นรับคำแล้วได้นิมนต์ภิกษุทั้งหลายให้เข้ามาให้ดื่มข้าวยากูถวายของเกี่ยวแล้วในเวลาฉันพัดก็บรรจุพัดให้เต็มบาทแล้วจึงได้แจ้งแกนางสิริมานางจึงได้กล่าวว่าพวกเธอช่วยประยุงฉันไปดี ฉันจะไหว้พระผู้เป็นเจา้าทั้งหลายนางผู้อันทาสีทั้งหลายพยุงไปสู่ที่ใกล้ภิกษุแล้วก็ได้ไหว้ภิกษุทั้งหลายด้วยทั้งสตีระอันสันเทิมอยู่ภิกษุนั้นแลดูนางแล้วคิดว่าความสวยงามแห่งรูปของหญิงผู้เป็นไข้นี้ยังสวยงามถึงเพียงนี้ ก็ในเวลาที่ไม่มีโรครูปสมบัติของนางคนนี้ที่ตกแต่งแล้วด้วยอาพอรทุกอย่างจะสวยงามสักเพียงไรครั้นกิเลสที่เธอสั่งสมไว้หลายโกฎปีก็เริ่บขึ้นแล้วพิกสุนั้นไม่ได้มีใจจดจอ่อที่อื่นมีใจจดจอ่อแต่เฉพาะนางเท่านั้นไม่สามารถจะฉันอาหารได้ จึงถือบาดกลับวิหารปิดบาดวางไว้นะส่วนข้างหนึ่งปู่จีวร น, นอนแล้วลำดับนั้นภิกษุสหายของเธอรูปหนึ่งแม้อ่อนวอนอยู่ก็ไม่สามารถจะให้ภิกษุนั้นชันได้ภิกษุนั้นได้โอดอาหารแล้วตอนนั่งสีมาถึงแก่กรรม ในเวลาเย็นวันนั้นเองนางสิริมาได้ทําการกิริยาคือตายแล้วพระราชาส่งส่งพระราชสารไปถวายกับพระศาสดาว่าก็แต่พระองค์ผู้เจริญนางสิฎิมาน้องสาวหมอชีวกได้ทําการกิริยาเสร็จแล้วพระศาสดาส่งสับเบเรื่องนั้นแล้วจึงส่งข่าวไปแด่พระราชาว่า กิจคือการเผาศพของนางสิริมายัางไม่มีพระองค์จงทรงรับสั่งให้คนเอาศพนางสิริมานั้นนอนในป่าช้าปีดิบแล้วให้รักษาไว้โดยอาการที่กาและสุนักจะกินไม่ได้เถิดพระราชาก็ได้ทรงทํตามรับสั่งแล้วสามวันล่วงไปแล้วโดยลำดับในวันที่สศสรีระ ขึ้นผ่องแล้วมูนอนไต้ออกจากปากแปลตั้งก้าวสรีระทั้งสิ้นได้แตกสลายคล้ายถาดเข้าสารฉะนั้นพระราชาให้พวกราชบุรุษตีกลองโฆษณาในพระนครว่าเว้นเด็กๆที่เฝ้าเรือนเสียใครไม่มาดูนางสิตรมาจะถูกปรับแปดกหาปณะดนะังนี้ แะได้ส่งพระราชสารไปสํานักของพระศาสดาว่าในยักว่าภิกษุสงฆ์มีพระพุทธชาติเป็นประธานขอจงมาดูนางสิริมาเถิดพระศาสดาจึงรับสั่งให้ประเดียงแก่ภิกษุทั้งหลายว่าเราทั้งหลายจะไปดูนางสิริมาภิกษุหนุ่มแม้รูปนั้นไม่เชื่อฟังคําของไกลๆเลย ตลอดสี่วันอดอาหารนอนเสร้วอยู่แล้วข้าวสวยในบาทบูดสนิมก็ตั้งขึ้นในบาทลำแบบนั้นภิกษุสายนั้นจึงเข้าไปหาเธอแล้วบอกว่าท่านผู้มีอายุพระศาสดาจะเสรเสดไปทอดพระเนตรนางสุดิมาภิกษุผู้นั้นแม้ถูกความหิวแปดเป๋าอย่างนั้น ก็ลุกขึ้นได้โดยรวดเร็วเมื่อเขากล่าวว่าสิริมานั่นเองจึงกล่าวตามว่าท่านว่าอะไรนะเมื่อภิกษุสายตอบว่าพระศาสดาจะเสด็จไปทอดพระเนตรนางสิริมาท่านจะไปด้วยไหมภิกษุนั้นก็รีบรับปากว่าไปก็รับแล้วเทข้าวทิ้งล้างบาทใส่ไว้ในตลกได้ไปกับหมู่ภิกษุ พระสัสดามีมูภิกษุห้อมล้อมแล้วได้ประทับณนะข้างหนึ่งภิกษุณีสองก็ดีราชบริษัทก็ดีอุบาสกบริษัทก็ดีอุบาสิกาบริษัทก็ดีได้ยืนอยู่พวกละข้างตอนศพนางสรีมาผู้เลอโฉมหาข่าไม่ได้พระสัสดาตรัสตามพระราชาว่า นี่ใครมาาบพิษพระราชานี่คือน้องสาวหมอชีวกชื่อสิริมาพระโชก้าพระสัสดานางสิริมาหรือนี่พระราชานางสิริมาพระโชก้าพระสัสดาถ้าอย่างนั้นขอโปร่งได้โปรโดให้ราชบุรุษดีกลองโฆษณาในพรันธก่ว่าใครให้รับพันหนึ่ง จงเอานางสิริมาไปพระราชาได้ส่งกระทำอย่างนั้นแล้วผู้ที่จะออกปากว่าข้าพระเจ้าหรือว่าเราแม้คนหนึ่งก็ไม่มีพระราชาทูลแก่พระศ า, าสดาว่าจนทั้งหลายไม่รับพระชจ้าาพระศาสดาตรัสว่ามหาบพิษถ้าอย่างนั้นจงลดราคาลงไปอีก พระราชาจึงรับสั่งให้ตีกลองโฆษณาว่าใครให้ซับห้าร้อยจุงเอาไปไม่ทรงเห็นใครๆจะรับเอาจึงรับสั่งให้ตีกลองโฆษณาว่าใครให้ทรัพย์250 200อ0ร้0ยหนึ่งหา้ากะหาปณะ10กหาปณะหากหาปณะหนึ่งกหาปณะครึ่งกาหาปะนะ บาดหนึ่งมาสกหนึ่งหรือกากนิกหนึ่งแล้วเอานางสิฎิมาไปก็ไม่เห็นใครจะรับเอาไปจึงรับสั่งให้ตีกรงโฆษณาว่าจงเอาไปเปล่าๆก็ได้ผู้ที่จะบอกว่าข้าพเจ้าหรือว่าเราแม้คนหนึ่งก็ไม่มีพระราชาจึงได้ทูลกับพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เชิญ ชื่อว่าผู้ที่จะรับเอาไปแม้เปล่าเปล่าก็ไม่มีพระศาสดาจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงดูมาตุกามซึ่งเป็นที่รักของมหาชนในการกรชนทั้งหลายในวรรณากร น, นี้ให้ซับพันหนึ่งแล้วจึงได้อภิรมวันหนึ่งแต่บัดนี้แม้ผู้ที่จะรับเอาเปล่าเปล่า ก็ไม่มีรูปเห็นป่านนี้ถึงความสิ้นและเสื่อมแล้วปีสุตหลายเตอทั้งหลายจงดูอัตภาพอนาดูลดังนี้แล้วตรัสพระกาถานี้ว่าปัสสะจิตตะกะตังพิมบังอรุกายังสัมุตสิตังอาตุรังพระหุสังกปังยัสสะนติทุวังติติ แปล ว, ว่าเจอจงดูอันตภาพที่ไม่มีความยั่งยืนไม่มีความมั่นคงอันกรรมทำให้วิจิตแล้วมีกายเป็นแผลมีกระดูเป็นโครงร่างอันอาดูนที่หมาชนคิดอยากได้โดยมากในเวลาจบเทสนาธรรมมาพิสมัยคือการบรรลุ ธ, ธรรมได้มีแล้วแก่สัตว์ แปดหมส่วนภิกษุแมวรูปนั้นก็ได้ตั้งอยู่ในโซดาปฏิพลดังนี้แหละเรื่องนางสิดิมาจบเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกันได้นะตะบูฟังคนเรามันปุ๊บปับ๊บก็เป็นเลยตายไปเลยแต่เป็นอย่างนั้นสมัยปัจจุบันนี้ก็มีสมัยก่อนนี่ยิ่งจะมากเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บยารักษาต่างๆนี่มันมีน้อย ความที่จะถึงมือหมอก็ยากการเดินทางต่างๆยากทําไมบางทีเป็นโรคปัจจุบันทันด่วนอย่างใดอย่างหนึ่งกินอาหารเข้าไปมันไม่ย่อยคิดว่าจะไม่นอนพักเอา้าเวลาถัดมาไม่ตื่นเลยอ่ามันเกิดเป็นพิษอย่างนี้ก็มีแต่ปัจจุบันก็กินยาแก้ท้องอืดกระจบเรียบร้อยแต่สมัยก่อนยาแบบนี้ไม่มีแต่ก็ทําให้เกิดโรคปัจจุบันทันด่วนได้แําพอตายไปแล้วเริ่มเน่าแล้วให้ฟรีๆเนี่ย ก็ยังไม่มีใครเอาที่ดูแลกันนี่เป็นความจริงของชีวิตละ่ะมีแต่เขาจะเผาทิ้งหรือไม่ก็ฝังเสียมีแต่จะรีบนาออกจากบ้านแต่ก่อนที่จะตายนี่แหมอยากให้อยู่อยากให้มาอยากรู้จักอยากไปถึงอยากไปหาแต่พอตายแล้วหาใครจะสนใจไม่มีเลยในเรื่องที่สองที่ต้องการจะให้ฟังวันนี้ก็เป็นคาถาที่เราอาจจะได้เคยได้ยินกันอยู่บ่อยๆนั่นคือคาว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตน อัตตาหิอัตโนนาโตข้าพเจ้าเองก็ได้ยินคํานี้มาตั้งแต่สมัยเด็กๆก่อนบวชนี่ก็ท่องบาลีได้เลยด้วยซ้ําอัตตหิอัตโนนาโตอัตตาหิอัตโนนาโตแต่ที่มาของคํานี้ท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่จะให้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องของมารดาของท่านพระกุมารกัส ป, ปะแต่ตัวท่านเองนั้นก็บวชมาตั้งแต่เป็นสามเณรแต่มีมารดาก็บวชเป็นภิกษุณีอีกตอนบวชนี่ก็ไม่รู้แล้วว่าตั้งท้องอยู่ ลำายหลังบวชขึ้นมาแล้วก็ได้คลอดบุตรคือพระกุมารกสปะทําไม่เป็นที่มาของพระคาตานี้เรื่องมารดาของพระกุมารกสปะนางได้สดับมามารดาของพระเทระนั้นเป็นธีดาของเศรษฐีในกรุงราชจุรึกขอบรระชาลแล้วจําเดิมแต่ตน ถึงความเป็นผู้รู้เดียงสาแม้ห้อนบอลอยู่บ่อยๆก็ไม่ได้บันประชาแต่สำนักของมารดาและบิดาเจริญวายแล้วไปสู่ตระกูลสามีเป็นผู้มีสามีดังเทวดาอยู่ครองเรือนแล้วครั้นต่อมาไม่นานคันตั้งขึ้นแล้วในท้องของนางแต่นางไม่ทราบ ความที่คันนั้นตั้งขึ้นเลยนางยังสามีให้ยินดีแล้วจึงขอบันประชาครั้ะนั้นสามีนํานางไปสู่สํานักของนางภิกษุณีด้วยสาการะใหญ่แต่ไม่ทราบอยู่ให้บวชในสํานักของนางภิกษุณีที่เป็นฝากฝ่ายแห่งพระเทวทัตแล้วโดยสมัยอื่น นางถูกนางภิกษุณีเหล่านั้นทราบความที่นางมีกันแล้วถามว่านี่อะไรกันนางจึงตอบว่าแม่เจ้าดิฉันไม่ทราบว่านี้เป็นอย่างไรแต่ศีลของดิฉันไม่ด่างพร้อยเลยพวกนางภิกษุณีจึงนํานางนั้นไปสู่สำนักของพระเทวดาแล้วถามว่า นางภิกษุณีนี้บวช ด, ด้วยศรัทธาพวกที่ฉันไม่ทราบการแห่งคันของนางนี้ตั้งขึ้นบัดนี้พวกที่ฉันจะทำอย่างไรพระเทวทัตคิดเหตุเพียงเท่านี้ว่าความเสียชื่อเสียงจงอย่าได้เกิดขึ้นแก่พวกนางภิกษณุณีผู้ทำตามโอวาทของเราจึงกล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าพวกเธอจงให้นางนั้นศึกเสีย นางภิกษุณีสาวนั้นฟังคำนั้นแล้วกล่าวว่าแม่เจ้าขอแม่ทั้งหลายอย่าให้ดิฉันชิพายเสียเลยดิฉันไม่ได้บวชเจาะ จ, จงพระเทวทัตแม่เจ้าทั้งหลายจงมาเถิดจงนำดิฉันไปสู่พระเชตวันซึ่งเป็นสำนักของพระศาสดานางภิกษุณีเหล่านั้นพานางไปสู่เชตวันกราบตูลแด่พระศาสดาแล้ว ตอนพระกุมารากัสปะเกิดพระศาสดาแม้ทรงทราบอยู่ว่าขันตั้งขึ้นแล้วในเวลานางเป็นเครือหัดแต่เพื่อจะเปลืองเสียซึ่งท้ายคมของชนเหล่าอื่นจึงรับสั่งให้เชิญพระชาปเปรีณที่โกศลท่านมหาอนาคตบินทิกะท่านจุละ อาณาธบินทิกะนางวิสาขาอุบาสิกาและสกุลใหญ่อื่นๆมาแล้วทรงสั่งพระอุบาลีเตระว่าเธอจงไปจงชำระกรรมของภิกษุณีสาวนี้ให้หมดจดในท่ามกลางบริษัทซีดัง น, นี้แล้วพระเตระจึงให้เจญนางวิสาขามาตรงเฉพาะพระพักพระราชาแล้ว ให้สอบสูนอันที่ก่อนนั้นนางวิสาขานั้นให้คนล้อมเครื่องล้อมคือม่านตรวจดูมือเท้าสดือและที่สุดแห่งตองของหนางพกษุณีนั้นภายในม่านแล้วนับเดือนและวันดูก็ทราบว่านางได้มีกันในเวลาเป็นเครื่อัดจึงบอกความนั้นแกพระเทระ ครั้งนั้นพระเทระทำความที่นางเป็นผู้บริสุทธิ์ให้กลับตั้งขึ้นในท่ามกลางบริษัทแล้วโก็โดยสมัยอื่นนางคลอดบุตรมีอนุภาพมากซึ่งมีความปรารถนาตั้งไว้แทบบาดมูลของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตตะภายหลังวันหนึ่ง พระราชาเสด็จไปณนะที่ใกล้สำนักของนางภิกษณุณีทรงสดับเสียงตา่างรบจึงตรัสตามว่านี้เสียงอะไรเมื่ออมาตกราบดูลว่าพระชจ้าบุตรของนางภิกษุณีนั่นเกิดแล้วนั่นเป็นเสียงของบุตรนางภิกษุณีนั้นพระราชาจึงทรงนํากุมาร น, นั้นไปสู่พระราชบนญฑีนของพระองค์ ได้ประทานให้แก่แม่นมทั้งหลายก็ในวันตั้งชื่อชนทั้งหลายตั้งชื่อกุมานั้นว่ากัสปะและเพราะความที่กุมานั้นเป็นผู้อันพระราชาทรงให้เจริญแล้วด้วยเรื่องบริญารของกุมารจึงรู้กันบ้าก um ุมารักกัสปะกุมารนั้นทุบตีเด็กในสนามกีฬาแล้ว เมื่อถูกพวกเด็กเหล่านั้นกล่าวว่าพวกเราถูกคนไม่มีแม่ไม่มีพ่อทุบตีแล้วกุมารกัสปะจึงเข้าไปเฝ้าพระราชาทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นสมุติเทพพวกเด็กย่อมว่ากล่าวหมอมฉันว่าไม่มีมารดาและบิดาขอพระองค์จงตรัสบอกมารดาแก่หมอมฉันเมื่อพระราชา ทรงแสดงหญิงแม่นมทั้งหลายแล้วตรัสว่าหญิงเหล่านี้เป็นมารดาของเจ้าอุมารากัสปะจึงกล่าวกินว่ามารดาของหม่อมชันไม่ได้มีเท่านี้อันมารดาของหม่อมชันพึ่งมีคนเดียวขอพระองค์ตรัสบอกมารดานั้นแกหม่อมชันเถิดพระราชาทรงมีความคิดว่าเราไม่อาจ ลวงกุมารนี้ได้จึงตรัสว่าพอ่อมารดาของเจ้าเป็นภิกษณุณีเจ้าอันเรานำมาแต่สำนักของนางภิกษณุณีตอนกุมารกัสปะออกบวชบรรลุพระราักุมา ร, ออ ร, ร, รมานั้นมีความสังเวชเกิดขึ้นบามแล้วด้วยเหตุเพียงต่นนั้นนั่นแหละ จึงกราบตูนกับพระราชาว่าข้าแต่พระบิดาขอพระองค์ทรงให้หม่อมฉันบวชเถิดพระราชาจึงรับคำดังนั้นแล้วให้กุมารนั้นบวชในสำนักของพระาศาสดาด้วยสังฆะเป็นเด่นมากกุมารกัสปะนั้นได้อุปสมบทแล้วปรากฏชื่อว่าพระกุมารกัสปะ ท่านเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาเข้าไปสู่ป่าพยายามแล้วไม่สามารถจะให้คุณวิเศษบังเกิดได้จึงมีความคิดว่าเราจะเรียนกรรมฐานให้วิเศษอีกมาสู่สำนักของพระศาสดาอยู่ในป่าอันถวันแล้วกระนั้นพิสุ ผู้ทำสมณธรรมร่วมกันในการแห่งพระกัสปะพุทธเจ้าบรรลุนาคามีผลแล้วบังเกิดในปรมโลกมาจากปรมโลกถามปัญหาสิบห้าก็อกัพรักุมาระกัสปะนั้นแล้วทรงไปด้วยกับว่าคนอื่นยกพระศ า, ศาสดาเสียที่สามารถเพื่อจับพยากรปัญหาเหล่านี้ไม่มี ท่านจงไปจงเรียนเนื้อความของปัญหาเหล่านี้ในสำนักของพระศาสดาเถิดพระกุมารกสะปะก็ทำเหมือนอย่างนั้นบรรลุพระอรสัตผลในเวลาที่พระศาสดาทรงแก้ปัญหาจบตอนมาดาพระกุมารกษะปะบรรลุพระอรสาธ ก็ตั้งแต่วันที่พระเทระนั้นออกไปแล้วน้ำตาไหลออกจากในตาทั้งสองของนางภิกษุณีผู้เป็นมารดาตลอดสิบสองปีนางมีทุกพระพระปรากจากบุตรมีหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาทีเดียวมีในสมัยหนึ่งนางเที่ยวไปเพื่อพิการาพอเห็นพระเทระในระหว่างแห่งถนน จึงร้องเรียกว่าลูกลูกแล้ววิ่งเข้าไปเพื่อจะจับพระเทระได้ส่วนลมลงแล้วนางมีถันหลังน้ำนมอยู่ลุกขึ้นมีจีวรเปียกไปจับพระเทระแล้วพระเทระมีความคิดว่าถ้ามาดา น, นี้จะได้ถ้อยคำอันไปราะจากสำนักของเรา นางจกชิบหายเสียเราจะเจราจากับมารดานี้ทำให้กระด้างทีเดียวในที่นั้นพระเถระจึงกล่าวกับนางภิกษุณีผู้เป็นมารดานั้นว่าท่านเที่ยวธรรมรอยูจึงไม่อาจตัดแม้มาดว่าความรักได้นางภิกษุณีนั้นมีความคิดว่าโอ้ถ้อยคำของพระเถระหยาบคายจึงกล่าวขึ้นว่า พ่อพ่อพูดอะไรนะทูพราเตระว่าเหมือนอย่างนั้นนั่นแหละอีกจึงมีความคิดว่าก็เราไม่อาจอดกลั้นน้าตาไว้ได้สิ้น12ปีเพราะเหตุแห่งบุตรนี้แต่บุตรของเรานี้มีหัวใจกระด้างประโยชน์อะไรของเราด้วยบุตรนี้นางภิกษุณีจึงตัดความเสน e หาในบุตรแล้ว บรร ล, ลุพระอราัตผลในวันนั้นนั่นเองตอนพวกภิกษุพาการสรรเสริญพระพุทธคุณก็โดยสมัยอื่นภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงตามว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระกุมรารกัสปะและพระเทรีผู้สมบูรณ์ด้วยอุปนิสัยอย่างนี้ถูกพระเทวทัตให้ชิพหายแล้ว ส่วนพระศาสดาเกิดเป็นที่พึ่งของท่านทั้งสองนั้นโอ้หน่าสจัลธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมเป็นผู้อนุเคราะห์โลกพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนอเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยเรื่องชื่อนี้พระผู้มีพระภาค จึงตรัสขึ้นว่าพิสุทั้งหลายเราเป็นปัจจัยเป็นที่บำนักของคนทั้งสองนี้ในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แมในการกร่อนเราก็ได้เป็นที่บำนักของคนทั้งสองนั้นเหมือนกันดังนี้แล้วจึงตรัสนิโครทะจาดกนี้ให้พิสดารด้วยขานิวา เจ้หรือคนอื่นพึงคบเนื้อชื่อว่านิโครตะผู้เดียวอย่าเข้าไปคบเนื้อชื่อว่าสาขะความตายในสนักของเนื้อชื่อว่านิโครตะประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ในสํานักของเนื้อชื่อว่าสาขะนั้นจะประเสริฐอะไรดังนี้จึงทรงประชุมชาดกว่า เนื้อชื่อว่าสาขาในครั้งนั้นได้เป็นพระเทวทัตในบัดนี้แม่บริษัทของเนื้อชื่อว่าสาขานน้นก็เป็นบริษัทของพระเทวทัตนั่นแหละแม่เนื้อตัวตึงวาระได้เป็นพระเทรีบุตรได้เป็นกุมารกสปะส่วนพญาเนื้อนามว่านิโครทะผู้สละชีวิตแก่แม่เนื้อตัวมีคัน คือเราเองและเมื่อจะส่งประกาศความที่พระเตรีตัดความรักในบุตรแล้วทำที่พึ่งแก่ตนเองแลจึงตรัสว่าวิกษุทหลายเพราะบุคคลอาศัยคนอื่นไม่สามารถเพื่อจะมีสวรรค์หรือมรรคเป็นที่ไปในเบื้องหน้าได้ฉะนั้นตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตน คนอื่นจะทำอะไรได้ดังนี้แล้วจึงตรัสประกาานี้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโตโกหินาโตปะโรสิยาอัตตาหิสุทันเตนะนาถังละพัติทุนละพังแปลว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนบุคคลอื่นกลเล่า พึ่งเป็นที่พึ่งได้เพราะบุคคลมีตนฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่บุคคลได้โดยยากดังนี้วันนี้เราก็ฟังสองเรื่องท่านผู้ฟังเรื่องของนางสิริมาแล้วก็ที่มาของคาถาที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นประจำคือคำว่าอัตหิอัตโนนาโตเป็นเรื่องของท่านมารดาของท่านพระกุมารกส ป, ปะ ท่านมักกุมารคัษปานี้ก็มีความสามารถมากไว้ในโอกาสต่ อ, ตอไปแต่การพระเจ้าอาจจะนำเรื่องของท่านเนี่ยมาเล่อให้ท่านผู้ฝังได้ฟังกันอีกวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ข้ารพรเจ้าพระมาหาภัยบูญอภิปุนโนจากวัดป่าอนายโศกเจริญปาน